ตามหลักธรรมทั้งกล่าวไว้ว่าซุนจะกลับคือเป็นระยะเวลาที่ว่างเล่าจากศาสนาไม่มีอัตมีธรรมคำว่าสีนี้ธรรมว่าบาปว่าบุญนี่ไม่ปรากฏในความรู้สึกของประชาชนทั้งหลายเลย ก็ไ ม, ม่มีความสนใจกันก็ไม่ทราบว่าสินทำยุบบาปมีคุณโทษเป็นประการใดบ้างวันวาเป็นระยะที่ร้อนมากที่สุดนั่นหมายถึงดินฟ้าอากาศร้อนคือมันร้อนภายในจิตใจของสัตว์โลกที่เต็มเปด้วยวิเลดซึ่งเป็นธรรมชาติที่เผาร้อนคือเป็นธรรมชาติที่ร้อนอยู่แล้วเมื่อไปสิงในถานที่ใดจุดใดจุดนั้นต้องร้อนในหัวใจใดหัวใจนั้นต้องร้อน ถ้าไม่มีน้ำดับคำว่าน้ำก็ได้เกดสีนธรทเป็นเครื่องดับความรุ่มร้อนถ่ายน้อยคือพิเลนี้ศาสนามีอยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าไม่สนใจจะนำน้ำสีน้ำทเข้ามาชัางล้างข้ามาดับความรุ่มร้อนอันนี้ก็ไม่ไว้ที่จะร้อนเช่นเดียวกับสุญญากาศ คำว่าสุญญากาศในข้างโน้นกับสุญญากาศของเราในระยะเวลาหรือของบุคคลเป็นบางคนนั้นมีอยู่เป็นประจําผู้ที่ไม่เคยสนใจกับศีลกับธรรมกับคุณงามความดีอะไรเลยนั้น น, ะนั่นแหละคือเป็นสุญลากาศผู้ที่ไม่สนใจอย่างนั้นเราอยากเข้าใจว่าเขามีเกียรติเขามีคุณงามความดีเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดเขาเป็นคนเป็นคนมีฐานะดีเขาเป็น มนุษย์ที่มีความสงา่าราศีตรงกันข้ามกันไปหมดนะคือภายในจิตใจที่ไปมีศีลธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงและเป็นน้ําดับไฟแล้วจะให้ความร่มเย็นเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะทิเรียดมันสังเลืกอยู่ภายในจิตใจนั้นเป็นประจําซึ่งไม่มีอะไรที่จะดับและไม่สนใจที่จะนําอะไรมาดับแล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหน โลกละมองกันมองอย่างเฉยๆคือมองตามความคาดความหมายตามความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ได้นําเหตุนําผลนําอัดนํำทำเข้าไปเทียบเทียงหรือจับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนื่องจากว่าเราก็ไม่มีมันจึงไม่ทราบความจริงซึ่งมีอยู่เต็มหัวใจด้วยการทุกข์ผลด้วยแล้วตั้งแต่ความจริงทำท่านสอนอัดสอนทำแก่สารโลกนั้นท่านสอนความจริงท่าน ไ, ไม่ได้สอนความปลอม แต่จิตจของเรามันชอบปลอมกับธรรมอยู่เสมอเป็นและเป็นค่าสึกต่อธรรมเป็นค่าสึกต่อ ต, อตอนเองอยู่เรื่อยๆเวลาจะประกอบศีลธรรมคุณงามความดีเข้าใส่จิตใส่ใจแล้วจะหาเรื่องหาราวก่ออุปรสรรคยุ่งเหยิงมุ่นวายให้ขัดข้องต่อการประกอบความดีมันกลายเป็นมารสังหารตนเองโดยไม่รู้สึกโดยที่เราก็คิดว่าเป็นทางออกของเราอย่างดี น, นี่ก็คือแน่ของไปที่จะทําความรุอนร้อนให้แก่เรา แน่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคําว่าสุญญากาศอันเป็นเรื่องใหญ่นั้นจึงมาเป็นได้กับเรื่องย่อยๆในบรรดาเราทั้งหลายที่แม้จะนับถือปรัชญาศาสนาอยู่ก็าตามระยะใดที่ห่างเหืนจากศื่อจากธรรมจากการประกอบพลังความดีเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือการอบรมจิตใจให้มีความสงอบร่มเยินระยะนั้นมันก็เป็นสุญญากาศได้ระยะใดที่เป็นสุญญากาศภายในจิตใจระยะนั้นใจจะร้อน ใจความร้อนนั้นจะไม่เป็นสุญญากับมันจะร้อนของมันเรื่อยๆคำว่าสุญญากับคือว่างเปล่าจากเหตุจากผลจากคำว่าอักวัตธรรมคำว่าบาปว่าบุญไม่ไลึกพอที่จะหาทางแก้ไขและส่งเสริมเลยท่านเรียกว่าสุญญากับภายในจิตใจของสารโลกแต่เมื่อสุญญากับเข้าสู่จิตใจได้เนี้ยจะมีศาสนาอยู่โดยที่ตนก็ปฏิญญาณตนว่านับพืชศาสนาก็ตาม แต่ขณะที่มันมีศาสนามันมีเหตุมีผลเป็นเครื่องยับยั้งชั่งจรงตนเองทดสอบตอนเองว่าผิดหรือถูกประการใดม้งประการใดบ้างนั้นระยะนั้นเป็นความรุ่มร้อนของจิตไม่ใช่น้อยเหมือนกันนี่เรียกว่าสุญญากรศนี่เราเทียบเข้ามาให้ทราบถึงเรื่องสุญยากาศตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ พอเลยจากนั้นแล้วก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วก็ทางสอนทำแก่โลกโลกก็เริ่มรู้สีรู้ดทำและกลับตัวเป็นคนดีแล้วมีความนุ่มนวลไปเดิมดับเพราะอำนาจแห่งสีนู้ดทำเป็นน้ําสําหรับดับไฟที่เหลือกันหาอาสวะซึ่งเป็นความรุ่มร้อนโดยหลักธรรมชาติของมันมันกล่าวไว้อย่างนั้นนี่เราย่นเข้ามา โอปัญยิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งตั้งแต่วันเกิดมานี้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนกี่ชั่วโมงกี่นาทีระยะใดบ้างในช่วงที่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้ซึ่งเป็นสุญญากาศภายในตัวของเราแะระยะใดบ้างที่มีศาสนาประจําใจเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่นั่งภาวนามันก็เป็นสุญญากาศได้อีก นั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธเสียเดียวเผลอไปโดดลงนรกแล้วอืยุ่งกับเรื่องนั้นยุ่งกับเรื่องนี้วุ่นวายกับอารมณ์นั้นวุ่นวากับอารมณ์นี้นั่นแหละมันเป็นสุญญากาศแล้วโดยที่เราไม่รู้ท่านที่เรากันว่าเรานั่งภาวนาแต่มันนั่งวนนั่งวุ่นอืนี่เป็นนั่งสุญญากับอืศเพื่อให้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้และเพื่อให้ทันกับกลมายาของกิเลส กับความรุ่มหลงนี่ก็เป็นกิเลสนะประเภทน่ะจึงต้องตั้งสติสตังตั้งท่าตั้งทางพินิจพิจารณามีเจตนามุ่งตรงหน้าที่การงานของตนในขณะที่ทำํำจะให้ความทั้งเผือเหล่านั้นเข้ามาแบ่งสรรปันส่วนเอาไปกินและเอาไปกินให้จนหมดนั่งทั้งเวลาไม่ปรากฏเป็นผลอะไรขึ้นมาปล่อยให้แต่กิเลสให้แต่สุญญากลับเอาไปกินทั้งหมดนี่ไือมีอะไรเหลือ พอออกมาเฮลยนั่งขอหน้าไม่ได้เรื่องเหนื่อยาวและเลยวันนี้สิ่งที่ได้เรื่องไมพูดละเรื่องอะไรในเรื่องยุ่งเรื่องวุ่นไวายนังนสิเรื่องไปตกนรกทั้งเป็นอยู่ที่ไหนบ้างนั่นไม่พูดแล้วเราจะมาทวงเอานี่เอาสินจากอัดจากทำเหมือนศาสนาเป็นนี่สินของคน <c oughs> เราเป็นเจ้าหนี้ศาสนาทวงอัดทวงทำเป็นเจ้าหนี้ของอัดของทำ <c oughs> ทวงเอาแับท่านมันก็ไม่ได้สิเพราะเราทําเหตุไม่ดี ก, กับตัวเอง นั่งภาวนาตั้ง น, งนานไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรหรอกว่าสนาน้อยเราหนิว่ะดูเฉยดีกว่าหวัวอีแล้วน่ะหลอกไปเรื่อยนะแต่นั่งภาวนาอยู่นั้นมันยังเห็นได้เรื่องสิ่งที่ต้องการมั น, มนไม่ได้เพราะอะไรเป็นเจตนาอันหนึ่งเพียงเท่านั้นที่ว่าต้องการจะทําภาวนาแต่เจตนาที่แสงขึ้นมาและเพิ่มพูนขึ้นโดยลําดับลำดับจนกระทั่งทุกชุดรากจิตไปสู่สที่ไหนไหนไม่รู้ไม่มี ไม่มีสีมีทำอยู่ประจำขณะจิตนั้นๆเลยไปตกนรกทั้งเป็นที่ไหนไม่รู้นั่นเราไม่คิดเราไม่เอามาบวกมาลบไม่เอามาเทียบเทียงดูมาทดสอบดูพอทราบเหตุผลดีชั่วของของเราที่แสดงตัวไปเองทําขึ้นใหม่เราจริงไม่ทราบแล้วก็ไปทวงเอานี่เอาสิานจับอัดจรรับทำมาทําแล้วไม่เกิปดประโยชน์ไม่เกิดความสุขความสบายไม่เกิดความสงบ ก็เราม่หาความสงบหาแต่ความวุ่นผลก็ได้แต่ความทุกข์ความวุ่นนะเนี่ยเพื่อความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไม่โดยถูกต้องท่านเนยสอนของปลองอันใดที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราท่านสอนให้เข้าใจให้รู้ดังที่กล่ามาเหล่านี้มีอยู่กับจิตใจของทุกคนที่เรียกว่าสุญญากะศสุญญากะเนี่ยว่างเปล่าจาก อัจจากทำทั้งๆ ท, ท, ที่นั่งภาวนาอยคิดเถอไปไหนก้อยไป เ, เรื่อยๆแตว่านั่งภาวนาผมันก็ไม่ปรากฏถ้ า, ามีสติสตงกําหนดดูอยู่นั้นสมมุติว่ากําหนดลมหายใจตั้งหน้าตั้งตาจะให้รู้เฉพาะลมหายใจมายุ่งกับอะไรความอยากมันเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงมันอยากอยู่ตลอดเวลาให้ทราบว่าความอยากนี้เป็นภัยต่อความสงบ เพราะมันจะผลักดันจิตใจให้คิดปรุงในเรื่องต่างๆตามมิสัยที่เคยเป็นมาพยายามท่้งเห็นภัยในจุดนี้แล้วบังคับไว้แทนคิดในแง่ที่เราไม่ต้องการแต่คิดเราต้องการจะรู้ในสิ่งใดให้กําหนดจิตาจไว้ด้วยดีเพื่อรู้สิ่งนั้นเช่นรู้อนาปานาัสติคือลมหายใจเขา้าเข้าออกก็ให้รู้อยู่ด้วยสตินี่เราเร า, เราทดลองดูพระพุทธเจ้าจะหลอกคนโกหกคนยิงเหรือหากว่าเป็นนักโกหกคนทำไมพระพุทธเจ้าได้แต่จะรู้ด้วยทำของจริงถ้าไม่ทําจริงจะรู้ทำของจรจิงได้อย่างไง เรารู้สามพงคิงเราจะมาโกหกโรคได้ยังไงมันเข้ากันไม่ได้เหตุผลไม่มีท่านทำจริงรู้จริงเห็นจริงสอนจริงแต่ผู้ที่ตรามก็คือเราผู้รับอว้จากท่านมาทํามาขยี้ขยำแหลกเหลือไปหมดทั้งทั้งที่เราว่าเรานับพือศาสนาเชื่อเทิศาสนาแต่เราทําลายศาสนาซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราและทําลายตัวของเราโดยไม่รู้จุดตัวเพราะความเผลอความไม่รอบครอบในตัวของเรานั่นแหละเป็นฆ่าติดต่อเรา ฉนั้นเพื่อให้ได้ผลเท่าที่ควรหรือให้ได้ผลยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงควรคำนึงถึงเหตุที่ตนทำํำคอจดจ้องมองดูจุดที่ทําอย่างให้เถือถึงจะกําหนดพุทโธก็ให้เป็นพุทโธจริงๆให้รู้อยู่กับพุทโธเท่านั้นเราไม่ต้องการสวรรค์มิมาณที่ไหนแหละนอกจากคำว่าพุทโธให้กลมกลืนกับความรู้มีสติกํากับงานอยู่เท่านั้น เราจะเห็นความสงบที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อก็จะมาปรากฏที่ตัวของเราความความเย็นความสบายความเป็นสุขที่เกิดขึ้นเพรจิตใจสงบก็จะเห็นภายในตัวของเราเราจะเป็นผู้รู้เราจะเป็นผู้เห็นเราจะเป็นผู้รับผลอันนี้เพราะเราเป็นผู้ทําเองด้วยเจตนาที่ถูกต้องตามหลักธรรมแต่ไม่เป็นอย่างอื่นคัถาานาเคยสอนโลกมาอย่างนี้ถ้าผู้ปฏิบัติอย่าง ที่ว่าตามหลักธรรมที่ท่านสอนนี้แล้วจะไม่เป็นอื่นต้องอย่างเข้าถึงความสงบเป็นอย่างน้อยแล้วจะสงบขึ้นไปเรื่อยๆโทษที่เคยรุ่มรุมภารกิจใจก็จะเห็นกันรู้กันเพราะอยู่กับใจคุณค่าที่เกิดขึ้นจากใจเพราะการชำระการฝึกการทรมาน ป่าปามพิเลดชออกได้มากน้อยก็จะปรากฏที่ภายในใจของเราเองเราจะเป็นผู้เห็นเองรู้เองโดยไม่ต้องฟังข่าวของใครทั้งนั้นเราเป็นตัวจริงเราเป็นตัวข่าวเราเป็นตัวรู้เราเป็นผู้รับภาพเราเป็นผู้เสวยผลเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเราจะทราบด้วยกันเรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นงานที่อัศจรรย์มากมายกาวกองในผลที่เกิดขึ้นจากงานนี้ พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้หรือโลกดูอสองสารก็เพราะการกระทำภาวนาทรงกำหนดอาานาตานัตติตามหลักท่านกล่าวว่าอย่างนี้แต่การอดภัะกายอาหารโดยมุ่งหวังความตรัสรู้จากการอดพระกายอาหารเท่านั้นไม่สวยคือไม่ได้พิจารณาทางใจซึจ่งเป็นความถูดต้องประกอบกันเลยยังไม่มีทางสำเร็จได้ เมย้อนพระไทยหงันกลับไปถึงเรื่องตั้งแต่ขาวตรงทะายาวอยู่โน้นว่าได้เจริญอนปาปานสติจิตใจมีความสงบจึงได้นำเรื่องนั้นเข้ามาพิจารณาอนปาปานสติเพราะจิตมีความสงบสงบโดยละเอียดละออลงไปโดยลาดับก็ทรงมีทางที่จะพิจารณาไตรกองโดยทางสติปัญญายกปฏิจจสมุปบาทขึ้นมา อวิชาปัญญาสังข้าระเป็นตน้นที่มีอยู่ในพระการมีอยู่ในพระจิตนั่นด้วยกันก็จงใจตองตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงที่มีอยู่ด้วยพระปัญญาพริตาสามารถตรงฉลาดรู้ขึ้นมาในปัญิมาอยอากอวิชาปัญญาที่ครูมนุษย์ครูสัตว์ทั้งหลายให้ท่องเตี่ยว อยู่ในวัตวนเหมือนกับคนหูหนวกสัตว์หูหนวก ต, ตามบอดมาตั้งกับตั้งการพระองค์ได้สลากปัดทิ้งหมดความบอดความถ่วงเหล่านี้ปรากฏในพระไทยว่าอาสวะขยายานได้สิ้นแล้วจากอาสวะเพื่อนมุ่นมนอุนตการทั้งหลายนะอกจากนั้นยังจิตูปารายานอื่นยูความเกิดความดับของตัดของพระองค์ยาน ไ, ไหนๆก็ทรงภาไปหมดโดยตอลอดทัวถึง นั่นท่านทำท่านทำจริงของท่านอย่างนั้นแล้วมันําสิ่งที่ทรงทำแล้วทรงเห็นแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นเองมาสั่งสอนโลกยัง เ, เป็นความถูกต้องแม่นยำไม่มีโอวาทของใครๆหรือคำสอนใครที่จะถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเอกรณามาจริงก็คือถ้าโอวาททำหนังสอนพระพุทธเจ้าไม่มีสองและพยานความอย่างทราบ ในเหตุการณ์ต่างๆไม่มีสองทรงรู้ทรงเห็นทรงรับสั่งออกมาอย่างไรต้องเป็นไปตามความจริงนั้นโดยไม่เป็นอย่างอื่นได้เลยนี่เอกานามากินแปลว่าหนึ่งไม่มีสองแล้วพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เป็นมาแต่ละองค์แต่ละพระองค์พระองค์นั้นไม่ไม่มาตรัสรู้ซ้ํากันมีแต่พระองค์เดียวเท่านั้นแต่ละครั้งละครั้งมีอันหนึ่งเดียวเอกรานามากินมีพระพุธทธเจ้าครั้งพระองค์เท่านั้นนี่ อาถึงย้อนเข้ามาหาเราขีอกล่าวมาทั้งนี้เป็นได้ทั้งเราทั้งพระพุทธเจ้าเป็นแด่เพียงว่ากว้างแค่ต่างกันสาหรับหลักฐานแห่งความปริงนั่นเหมือนกันคือตุปาตยานความรู้ความเกิดความดับรู้ที่ไหนถ้าไม่รู้สังขารที่เกิดขึ้นดับไปทั้งดีทั้งชั่วยอยู่ภายในจิตใจเอาตรงนี้นี่คือปัญญาที่จะทราบตัวนี้แหละตัวที่ปรุงแต่งนี้เองตัวที่จะ ไปหยิบนั่นหยิบหบนี่คว้านั่นคว้านี่ปรุงแต่งเรื่องครบเรื่องขาดเรื่องทีเลดตัญหาอาสวะก็คือตัวนี้นี่ปัญญาพิจารณาเช่นนี้อาสวะขมับเรื่องทีเลตรู้ทันที่ตรงไหนมันก็ดับไปดับไปของมันตรงนั้นจงกลายเป็นอาสวะข้า ย, ยาญความรู้แจ้งในความสิ้นอาสวะทีเลตทั้งหลายโดยสิ้นเชิงหรือตลอดทั่วถึง น, นี่ว่านไง เราอยู่ในกับไหนเวลานี้เราต้องทดสอบเราพัฒกับที่เป็นศูนย์จะกับพัฒกับก็ว่ากับที่จเจริญเจริญในการประกอบความภาคเพียรในความมีสาระภายในตัวเองในวันหนึ่งหนึ่งสร้างสาระทําขึ้นภายในใจิตใจเป็นพัฒกั์เป็นขณะเป็นเวลาเป็นการที่จเจริญมุ่งเหวนอยู่ทุกระยะนั่งสมาธิภาวนาก็เป็นสมาธิภาวนา ไม่เป็นหัวตอ่อโดยมีสติสตางค์งทข้างๆิี่ไม่หลับแต่มันก็หลับ ด, ด้วยเพราะไม่มีสติคุกุ้งก่านยินวาฝันดิบไปเรื่อยๆฝันดิบฝันสดไปเรื่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปถึงหลูกถึงล้านถึงบ้านถึงเดือนถึงติดการหน้าที่อะไรเมืองนอกเมือง น, งนาที่ไหนละไปหมดเอออดีตอนาคตยุ่งไปหมดนั่นเป็นอะไรดูดูทำ ม, มีสติมันเป็นอย่างนั้นทำมีสติแล้วมันจะไม่ไป เราบังคับเวลานี้เราต้องการที่จะทําหน้าที่นี้อย่างเดืยวให้เป็นธาตุกับใั้เป็นสุญญากับนั่นเป็นสุญญากาศน้นนศน า, านนที่กล่าวไปแล้วนั้นฉะนั้นนําไปมาเผาเจ้าของเป็นสุญญากาับไม่มีศาสนาแสงเลยขณะนั้นคือไม่มีสติสตังให้มีปัญญาตามรักษาเลยปล่อยตั้งแต่กิเลสให้กิเลสถูกลากจิดไปโดยเจ้าของไม่รู้สึก กว่าจะรู้สึกเขาปล่อยแล้วถึงรู้ตัวเนี่ยเวลาเขาถือเขาลากมันสันสดไปแล้วเขาเขาปล่อยแล้วคุณจะมารู้ตัวกูตายมันคิดอะไรเรื่องราวอะไรแต่ยังดีอยู่ที่กูตายมันคิดอะไรไอที่ไม่ทราบเลยที่พอพวกกลับขึ้นมาเนี่ยมันยังไงว่านั่งสมาธิทอ น, นายตั้งเป็นเวลาทั้งหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมงก็ไม่เห็นได้เรื่องอะไรมันนั่งอะไรในเรื่องเนี่ยนอนเถิดดีกว่าล้มไปเลย มันมันจะไปดีกว่าถ้าเขาบอกจากมันดีหมอนกท่านั้นไปดีกว่าก็ไปดีที่หมอนนไงเมื่อเกิดผลเกิดประโยชน์คล้ายๆกขาคนนอนได้นอนอย่างนั้นถ้าดีกว่ามันพ้นคุกไปกันด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่มันดีกว่าภาวนาหมอนดีกว่าภาวนามันก็พ้นทุกได้หมดแต่นี้มันไม่ดีกว่ามันเป็นเรื่องทิ่เล่หหลอกเรากล่อมเราให้หลับว่าเป็นของดีกว่าคือดีกว่าภาวนาเนอะ กิเลสมันต้องแทรกทําเสมอตรงนี้พวกกอขวนพวกยุแย่พวกทําลายหาทําลายอยู่ทุกแน่ทุกมุมทุกการทุกเวลาทุกอุญาบทก็คือเรื่องของกิเลส น, นะพระพุทธเจ้า ท, าท่านจึงสอนให้แก้ให้ปราบกิเลสพวกแทรกซึมมันอยู่พาณใจิตใจด้วยสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังความอดความทนให้พยายาม เราทำหน้าที่การงานอันเป็นสาระประโยชน์สำคัญเพื่อเราถ้าเป็นพัฒธ์ฒกับพัฒมบุคคลที่นธนจิตใจจึงต้องอาศัยความขยันเหมือนเพียงงานทุกด้านที่เป็นผลเป็นประโยชน์เราจะสร้างวิาสมามกิจขวางไม่ให้ทำงาน น, นั้น จิตถ้าสงบก็สบายทำไมสงบไม่ว่าแต่การไหนจนกระทั่งวันตายก็หาความสบายไม่ได้เพราะจิตวุ่นจิตจะหาความสบายที่ไหนทำคมเข้าใจไว้ว่าสุญญากับอยู่ที่นี่คัตกะก็อยู่ในผู้มีความเพียรมีสติมีปัญญาเป็นเรื่องรักษาตัว สุญญากาศก็คือปล่อยตามเรื่องตามลาตามอารมณ์ตามบุญตามกรรมไม่ทราบุญที่ไหนกรรมที่ไหนปล่อยเรื่อยไปความปล่อยเรื่อยไปนั่นก็คือความผูกมัดตนเองโดยมีรู้สึกแล้วจนเกอะจนมนึงเจอแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาความทุกข์ใครปรารถนาเราในโลกนี้แต่ทําไมเจอกันทั่วโลกดินแดนอี่ก็เพราะเรื่องปล้อยตามบุญตามกรรมนันเองเพราะมันไม่มีเหตุผลการปล่อยอย่างนั้น ถ้ปลยที่เลดบางที่เลยดด้วยสติปัญญานั้นมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าท่านปล่อยอย่างนั้นรู้เหตุรู้ผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยไปตามลำดับลำนาบปล่อยโดยลำดับจนกระทั่งปล่อยโดยสิ้นเชิงสุดท้ายก็คือแปล่อยที่เละหมดเหนือแต่พระทัยที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปล่อยพวกเรามีแต่เที่ยวยึเทถือเที่แบกจะีหามหนักเท่าไรก็อย่างมากก็บนเอาแล้วก็ไม่ไวนที่จะแบกจะหามแล้ว หามาเพิ่มเติมไม่เรื่อยไม่ว่าหนึ่งว่าน้อย เ, อเท่าแต่ท่าเป็นตัวขยันที่สุดก็คือการแบกการหามอารมณ์ความคิดความตรุงต่างๆไม่ได้คิดถึงคำคิดคํหนึ่งถึงวัยถึงปีถึงเดือนถึงอายุสังขารจะฟ้องเลยขยันที่สุดก็คือเรื่องแบกบเรื่องหามความทุกข์แบกบสัญญาอารมณ์การพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้เราละลึกตัวของเราให้เรารู้ ว่าเราเคยเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วยังจะฝืนให้เป็นอย่างนี้อยู่เหรอผลที่เป็นมาเพราะการทําอย่างนี้เป็นอย่างไรเราก็ทราบตัวของเราเองแล้วเวลานี้เราจะแก้ไขตัวของเราอย่างไรถึงจะให้เบาบางลงไปบ้างพอได้มีความปล่อนคลายพนักจิตใจได้รับความสะดวกกายสมาใจอย่างที่เราท่านตั้งหลานได้อุตส่าห์มานี้ก่อนนัว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิงย่งเป็นเจรนาที่ดีที่สุด ม, มาบำเพ็ญ น, นี่คือแบบมหาสาระคุณสาระประโยชน์ท่า น, นจึงปรินาบำเพ็ญพิจารนาให้เหมาะสมกับการเวลาที่มานั่งสมาธิภาวนาดูตัวของเราตัวของเราเป็นยังไงถึงต้องดูถ้าเป็นคนไข้ก็ต้องหมอเป็นผู้ตรวจผู้ผผรักษา แล้วจิตมันเป็นโรคเป็นโรคอะไรใครจะเป็นหมอเป็นผู้ตรวจผู้รักษาเนี่ยนี่สำคัญโรคของจิตคือเรื่องของกิเลสยาก็คือธรรมหมอก็จะเจ็บครูเจ้อาจารย์ไม่ตำหนักตำราท่านสอนเอาไว้นำมาประพฤติ ป, ปฏิบัติกำจัดโรคเชื้อโรคอันสำคัญที่มันสัง ม, มิภายในจิตใจนี้อย่างจมมิตรถอดถอนด้วยความภาพเพียรยาลดลนะคอยหลัง ความหวังที่ปรารถนาด้วยกันนั้นจะพุ่งสาเร็จไปโดยลําดับลํำดับเพราะอย่างยิ่งคือการพิจารณาเรื่องถาตุเรื่งพลันเรื่องความเป็นความตายในสกุลกายของเรานี้เป็นสิ่งสําคัญมากยิ่งกว่าเราจะไปคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องความตายติดแน่เจ็กับตัวของเราทุกคนความเจ็บความทุกข์ความลําบากในร่างกายและจิตใจก็ติดแน่เจ็บกับกายกับใจของเราเราไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางนอนอยู่มันกระแทกเราอยู่นั่นแหละ นั่งอยู่กระทับอยู่อิริยาบททั้งสี่มีแต่เรื่องความแก่ความเจ็บความตายทับเราอยู่ทั้งนั้นความทุกข์ความลําบากทับเราอยู่ทั้งนั้นเราจะหาอุบายวิธีไหนเพื่อจะให้รู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ในสิ่งที่ควรจะรู้ทัทนแล้วเพื่อจะถอดถอนสิ่งที่ควรถอดถอนด้วยอุบายวิธีใดบ้างนี่เรียกว่าเรียนตัวของเราให้รู้เรื่องตัวของเราสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามีอะไรบ้าง ให้รูกให้เข้าใจสมกับศาสนาซึ่งออกมาจากท่านผู้ฉล า, าดแหลมคมมาสอนเราซึ่งเป็นพุทธบริษัทเพื่อความฉล า, าดแหลมคมให้ทนันกลมกายแห่งความโง่ของตนที่มีอยู่ภายในตนความโง่กับุทธิเลศทันเียกว่าความโง่แตะว่าเราว่าพทิเลศมันโง่นะความจริงพ ท, ทธิเลศมันฉล า, าดที่สุดอะที่เราถูกกล่อมไมาเรื่อยมีแต่ความฉล า, าดแหลมคมของพิเลศทั้งนั้นเรานะว่า พิเรนมันโง่ได้ไอผู้ที่เชื่อพิเรนนั่นแหละคือผู้โง่ว่าอย่างนี้ถูกตั้งเลยแล้วใครละเชื่อกิเลนโ ด, ดยลําดับลำดๆแล้วมีใครบ้างก็พวกเราพวกสัตว์โลกนี่เองเป็นผู้โง่เพราะเชื่อกิเลนกล่อมเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้นเคร่อเมื่อนั้นหลับไปเมื่อนั้นไม่เคยตื่นเมื่อตื่นตัวไม่เคยเห็นใครแห่งความกล่อมของมันออืก็คือพวกเรานี่พระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นผู้รู้สึ ถ้าองแล้วรู้สึกตัวให้นํำทำเข้าไปหรือถอนตนออกจากไฟทั้งหลายเหล่านี้เสียได้แล้วนํำทำเหล่านั้นมาสั่งสอนพวกเราประกาศทั้งคุณทั้งโทษประกาศทั้งทั้งโทษทั้งคุณก็คือโทษได้แก่พิเรศลเพราะวะได้แก่ความนุ่มหลงลตามพิเลศปัญหาเาะว่คุณก็คือได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพียรี่จะร์หรือถอนสิ่งเหล่านี้ออกจาก จิตใจของตนให้การเผู้ฉลาดแหลมคมขึ้นมาหลุดพ้นออกจากแอบที่มันกดท่วงหรือกดอยุบบมคอร์แรกแจกหัวใจของเราโดยลําดับลําดับจนการเป็นอิสระขึ้นมาได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่าน ม, มีหมดพระพุทธเจ้าท่านหมดหมดสิ่งกดท่วงทั้งหลายอะไรกดท่วงออยึดอะไรหลงอะไรอันนั้นเนี่ยกดท่วงความยึดความถือตัว ของตัวเองนั่นแหละมันมากดถ่วงตัวเองประยุึ์ภูเขาทั้งลูกภูเขามามากดถ่วงเราแต่ความยึดนั้นภูเขาทั้งลูกนั่นและมันมากดถ่วงเรานี่อา้าวยึดอะไรหลงอะไรความยึดความหลงอันนั้นแหละมันมากดมาถ่วงมาบิดบังคับจิตใจของเราสิ่งนั้นที่เราไปยึดไปถือมันไม่ได้มาเห็นเงินทองเข้าของตึกร้ามบ้านช่องที่ไร่ที่นาที่ไหนก็ตามมันก็อยู่ตามเรื่องของมัน มันไม่ถือว่ามันเป็นค่าสุดหรือเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้ใดแต่ผู้ที่ไปหลงไปยึดไปถือสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละมันกลับมาทับตัวเองซึ่งต้องแก้ตัวนี้ด้วยสติด้วยสัญญาของเราการภาวนาก็ครับเพื่อให้รู้เรื่องความขนองของใจที่คิดไม่เข้าเรื่องเข้าราวเหล่านี้เนี่ยสังสมทุกข์ให้แก่ตนเองมากเท่าไรยังไม่เคยเห็นโทษขางมัน เราได้เรียนทางด้านภาวนานแล้วเริ่มจะทราบไปโดยลําดับลำดับจนขมาถึงเมืองขาดเมืองขันอันตรึงสมัดทัําขันของเราได้แต่ร่างกายอ่าจนขมาตรงนี้ร่างกายทุกส่วนนี้มันก็จะต้องสลายายในวันหนึ่งทุกวันนี้มันก็นเริ่มของมันอยู่แล้วตลอดมาเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันแต่และทิ่นอันนี้มันตามความทุกร้อนให้แต่เรามากน้อยเพียงไร ถ้ามันออกอย่างเปิดเผยก็ทราบถ้าว่านี่มันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ปิดเจ็บท้องปวดหัวเป็นต้นถ้าไม่แสดงอย่างเปิดเผยก็เป็นอยู่ลับๆเราไม่ทราบเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เปลี่ยงนี้เวทนาออกความทุกข์คือทุกขเวทนาดีฮิตอยู่ทั้งนั้นแหละ ย, ยืนเดินนั่งนอนก็บีบบังคับอยู่นั่นพิจารณาตรงนี้ให้รู้ตรงนี้รู้นี้แล้ว ถึงอันนี้จะอยู่กับเราก็ตามก็ไม่กดท่วงเราได้เพราะความยึดทของเราไม่มีเนื่องจากเรารู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงคิดเส่นเดียวกับสภาวธรรมาทั้งหลายใจก็สมายอยู่ในถ้ำกลางแห่งธาตุแห่ ง, ข, ง ข, ขันก็ไม่หลงธาตุขันธาตุขันก็ไม่มาทับผมเราได้เราก็เป็นอุสระอยู่ภายในจิตใจนี่ชื่อว่าผู้ฉล า, าดครองขันผู้ฉล า, าดรักษาขันขันไม่ได้ ไม่สามารถจะมาเป็นภัยต่อเราได้เพราะเรามีปัญญามีความเจยยฉลาดทันของมันมนักปราชญ์ท่านว่า น, นี่คือความฉลาดขนาดแก้ตัวท่านว่าพ้นไปได้นั่นแหละเป็นความฉลาดของนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นความฉลาดนอกนั้นพาให้เจ้าของจมใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงไม่สมเฉยว่านั่นเป็นความฉลาดอย่างแท้จริง ความฉลาดใดที่เป็นไปเพื่อความสุขความจเจริญจากตนและส่วนรวมนั่นแหละคือเป็นความฉลาดแท้แต่เพราะอย่างยิ่งความฉลาดเอาตัวรอดนี่เป็นสำคัญตัวรอดได้ก่อนแล้วก็นำผู้อื่นให้รอดค้นไปได้โดยลำดับลำดับนี่คือแบบความฉลา ด, าดก า, า, ก า, ารแสดงธรรมก่อนวนขันกงอนขอุติเสีงก่อน